บทภาชณีติกาภาจิตตีี่ร้ิบห้มาตุคามภิกษุสําคัญว่าเป็นมาตุคามชักชวนกระเดินทางไกลร่วมกันโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งต้องอบัติภาจิตตีมาตุคามภิกษุไม่แน่ใจชักชวนกระเดินทางไกลร่วมกันโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งต้องอบัติภาจิตตีมาตุคามภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่มาตุคามชักชวนกระเดินทางไกลร่วมกันโดย ที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งต้องอบัติปาจติตตีทุกกฎภิกษุ o. ชักชวนมาตุคามไม่ได้ชักชวนภิกษุต้องอบัติทุกกฎภิกษุชักชวนกระเดินทางไกลร่วมกันกับนางยักษ์นางเปรตบรรันดอหรือสัตว์ดิรัชานมีกายเป็นมนุษย์ผู้หญิงโดยที่สุดแม้ชั่วละแวกหมู่บ้านหนึ่งต้องอบัติทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุสําคัญว่าเป็นมาตุคามต้องอบัติทุกกฎ ไม่ใช่มาตุคามภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกบทไม่ใช่มาตุคามภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่มาตุคามไม่ต้องอบัต